อีไม่นานความมืดก็จะเลือนหายความสว่างก็จะปรากฏแล้วการเดินธรรมยตราของพวกเราก็จะสิ้นสุดอย่างเป็นธรรมกาญก็เป็นธรรมดานะทุกอย่างเมื่อมีเริ่มต้นนะก็ต้องถึงจุดสิ้นสุดอย่างที่เขาเรียกว่างานเลี้ยงจะมีวันเลิกลา ความลำบากไม่ว่าจะมากแท่ไหนนะในสุดก็มีวันสิ้นสุดไม่ว่าธรรมยัตตานี่เราจะมองว่าเป็นงานเลี้ยงหรือว่าการมาเจอความยากลำบากก็ตามมันก็ไม่เคยอยู่ ย, ยั่งยืนแต่ก็ขอให้มันเป็นการสิ้นสุดเฉพาะธรรมยัตตราครั้งที่สิบเก้า แล้วก็หวังว่าธรรมญาตราสําหรับพวกเรายังคงดําเนินต่อไปอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าธรรมญาตราเนี่ยมันหมายถึงการเดินเพื่อทำเดินด้วยธรรมแล้วก็เดินในธรรมหรือในอารักขาแห่งธรรมชีวิตของเราเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนการเดินทางนะ สมยตาตราครั้งที่19สิ้นสุดแต่ว่าการเดินทางของเรามันยังดาเนินต่อไปไม่ใช่เพียงแค่เดินทางจากที่นี่กิโลเมตรศูนย์กลับไปบ้านไปพบคนรักไปพบครอบครัว แต่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งชีวิตของเราหรือชีวิตของเราที่เลือจากนีน้มันก็คือการเดินทางอย่างหนึ่งและเมื่อจะเดินทางทั้งทีก็ขอให้มันเป็นการเดินแบบธรรมญา ต, ตรา <c oughs> เป็นแต่ว่ามันไม่มีผู้คนเป็นร้อยมาร่วมเดินเคียงข้างข้างหน้าข้างหลังเรา อย่างเห็นได้ชัดอย่าง7วันที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนจะไม่มีใครที่จะตีครองนำขบวนนำหน้าเรา เ, าเคยได้พูดไปแล้วว่าธรรมยาติตรามันต่างจากการไปเที่ยวหลายอย่างาที่สำคัญก็คือว่าไปเที่ยวเนี่ยเรา สามารถจะเลือกได้ว่าจะไปไหนอาหารสถานที่ที่พักแรมจุดพักระหว่างทางหรืออาหารที่เราอาจจะกินเนี่ยเราเป็นฝ่ายเลือกส่วนใหญ่แต่ธรรมยตราตาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านเข้ามา ตลอดทั้งวันและอาจจะทนกลางคืนด้วยเนี่ยมันเราไม่ได้เลือกสถานที่เราก็ไม่ได้เลือกอาหารเราก็เลือกไม่ได้เราเลย อ, อยากจะุดแต่ถ้าขบวนยังเดินต่อเราก็จุดไม่ได้เราเห็นรมไม้ข้างทางเราอยากจะแวะพักแต่เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ได้ถึงจุดพัก ในความเป็นจริงของชีวิตเราก็เหมือนกันนะถ้าการเดินทางเนี่ยถ้าชีวิตเปน็นการเดินทางมันก็เป็นการเดินทางที่ต่างจากการไปเที่ยวเช่นกันก็คือเราต้องประสบพบกับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ผูรวมงานเจ้านายอาชีพการงานในบางขณะหรือภาราที่ได้รับมอบหมายอุปสรรคความยากลำบากที่ต้องเจอในชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกแต่ว่ามันก็เข้ามาหาเรารวมทั้งความพัดพรากสูญเสีย ซึ่งจะตามมายัางไม่หยุดหย่อนอันเป็นธรรมดาของชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้นะคือเราเลือกที่จะสุขหรือทุกข์อย่างที่เคยพูดไปเมื่อสองสามวันก่อนนี่คือสิ่งที่เราเลือกได้ ว่าเราจะโศกร่มแรลำพันธ์รับแค้นใจในยามที่เจอกับอุปสรรคความพัดพลาดหรือว่าเราจะรักษาใจให้เป็นปกติหรือยิ่งกว่านั้นคือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนสอนใจ มาใช้ให้เป็นประโยชน์สามารถที่จะเห็นธรรมะหรือสัจธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นแม่เราไม่ได้เลือกให้มันเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเราเลือกได้ว่าจะมองมันอย่างไรจะใช้ให้มันมีคุณค่าหรือเปล่า อที่เคยเล่านะคนที่ฝรั่งที่นั่งสมาธิแล้วเจอเสียงเรื่อยนเสียงเรื่อยนเสียงก่อสร้างดังเข้ามาแต่แทนที่เขาจะปล่อยให้มันรบกวนจิตใจจนเกิดความหงุดหงิดจิตไม่สงบเขาก็มองว่าเออมันเหมือนกับเสียงเพลง พอมองมันเป็นเสียงเพลงเนี่ยใจเขาสงบเลยหรือเหมือนกับแม่ที่มองเสียงหยอกล้อพูดคุยแทนที่หมอเป็นการส่งเสียงดังรบกวนแม่ขณะขับรถก็มองว่ามันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกทำให้ใจที่หงุดหงิดมันหายไป อันนี้คือสิ่งที่เราเลือกได้นะคือเลือกที่เราจะมองเลือกที่จะหาประโยชน์จากมันก็ทําได้เลือกที่จะให้คุณค่าใหม่กับมันแล้วก็สิ่งเป็นสิ่งที่เราทําได้ซึ่งหลายคนก็ได้คงได้ทำนะในระหว่างเดินธรรมญัตตราเช่นอะาจะมองว่าความยากลาบากมันเป็นการบ้านที่มาฝึกใจให้ เข้มแข็งทำให้รู้จักคอยขณะที่เข้าคิวที่ยาวเหยียดฝึกให้กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องหงุดหงิดลำคานในระหว่างที่ยืนรอสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะในระหว่างธรรมยาตรานี่ <c oughs> มันไม่เพียงช่วยทำให้เราทุกข์น้อยลงระหว่างที่เดิน มันไม่เพียงทำให้เราได้อะไรที่ดีๆคุ้มค่ากับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นการทุกเปล่าๆทุกข์ฟรีๆแล้วก็ก็ได้บทเรียนหรือคุณค่าบางอย่างขึ้นมาในใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันนามาใช้นะกับการดาเนินชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนเพราะชีวิตเราก็คือการเดินทางอย่างหนึ่ง ฐานเป็นการเดินทางที่ยาวนานด้วยมันไม่ใช่แค่8ดวันแต่มันนานกว่านั้นถ้าเราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ฝึกฝนระหว่างเดินธรรมยารามาใช้กับการดำเนินชีวิตเนี่ยชีวิตเราก็จะเป็นธรรมยารา อีกอย่างหนึ่งนะที่ประเสริฐกว่าธรรมยราที่เราเดินแล้วก็ใกล้จนะจบถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยธรรมยตารามก็ยังดำเนินต่อไปถึงแม้เราจะมั่นใจนะถึงแม้เราตั้งใจว่านะจะมีธรรมยราครั้งที่20แต่ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ นี่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เพราะว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนแต่แม้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะของการเดินธรรมยาตานะเพื่อลาปตเทาแต่ว่าธรรมญาตาของเราก็จะดําเนินต่อไปและจะเป็นธรรมยาตาที่นําพาเช่วงเราเนะข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐ ยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ได้เคยพูดไปแล้วนะว่าการเดินที่สำคัญเนี่ยนะก็คือการเดินทวนกระแสกิเลสความเห็นแก่ตัวความปรารถนาสุขชั่วแล่นชั่วคราวที่นำมาซึ่งความทุกข์ในระยะยาว การเดินทนกระแสกระเลนเนี่ยมันก็ยากเสมอเมื่อการที่เดินทวนน้ำนหรือเดินทวนทิศทางของน้ำอย่างพวกเราเนี่ยเดินธรรญาติตรารันี้เราก็เดินนะทวนทิศทางของน้ำเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะจนทั้งหนสุดก็มาถึงต้นน้ำฉีการเดินแบบนี้เนี่ยมันยากเสมอนะ ไม่ใช่เพราะว่าเราเดินด้วยเท้าอย่างเดียวแต่ว่าเราเดินเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงอยู่ที่ว่ามันจะสูงชันหรือว่าสูงเทรลนิดเทรลนิดมันม่เมกับการเดินไปตามกระแส น, น้ำนะเพราะมันเป็นการเดินจากสูงไปหาที่ต่ํามันก็ง่ายสบายแต่อย่างที่บอกถ้าเราเดินแบบนี้เราก็จะเจอแต่น้ําน้ําที่ขุ่นไปเรื่อยๆจนทั้งกลายเป็นน้ําสกปก โดยเพราะเมื่อมันผ่านเมืองนะผ่านถิ่นฐานผู้คนที่หนาแ น, น่นแต่ถ้าเราเดินทวนกระแสน้ำเนี่ยแม้มันจะค่อยๆไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่เราก็จะในสุดจะเจอน้ำที่สะอาดใสยอย่างตอนนี้เนี่ยและเราก็ได้มา ได้มาเจอน้ำที่ใสที่มันเกิดจากป่าเขาที่สมบูรณ์ถ้าเราเดินทวนกระแสกิเลสในใจเราไปเรื่อยๆนะเราก็จะพบกับความใสบริสุทธิ์ยิ่งคเรื่อยๆยิ่งนเรื่อยๆเช่นเดียวกับที่เราพบความใสของน้ำ ในระหว่างทางจนกระทั่งเมื่อมาถึงต้นน้ำเนี่ยน้ำก็ยิ่งใสเดินทวนกระแสกิเลสก็จะพบก่าความบริสุทธิ์นะความใสสะอาดมันมีอยู่แล้วในใจเรานะเพียงแต่ว่าเรายังเดินไปไม่ถึงเรายังทวนกระแสกิเลสไปไม่พอแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะการเดินการทวนกระแสกิเลสความมีแก่ตัว ความฝ่ายสุขชั่วคราวแต่ว่ามันก็ให้รางวัลนะที่ที่คุ้มค่านะความบริสุทธิ์ความใสสะอาดนะของจิตใจนะก็เรียก ง, ง่ายๆว่าเป็นความสุขการเดินทวนกระสาสกิเลสเนี่ยมันพาให้เราไปพบกับต้นฐานแห่งความสุขนะ เช่นเดียวกับการเดินทวนกระแสน้ําก็ทําให้เราพบกับต้นน้ําก็ให้เราไม่เพียงแต่จะภาคเพียรพยายามจนกระทั่งมาพบกับต้นน้ําชีแล้วก็ต้นน้ําสายอยื่นต่อไปในมาข้างหน้าแล้วก็เราได้พบกับต้นทานแหความสุขที่มีในใจของเราอันเกิดจากความเพียรพยายาม แล้วโดวยการสร้างสมสตินะสมาธิและปัญญาหรือคุณธรรมสติมันช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมาครอบงำทำให้จิตใจเกิดความโกรธเกิดความทุกข์ หรือว่าเกิดความโลกในด้วยอำนาจของตันธาไม่ช่วยทำให้เราจัปล่อยวางนะอารมณ์อกุศลต่างๆไปได้เมื่อเรามีสมาธิเราก็สามารถจะพบกวับความสงบได้ในทุกที่จิตใจเราก็จะผ่องแผ้วไม่มีอารมณ์ใดๆมารบกวนเช่นกัน สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เกี่ยวเนื่องกันนะก็คือความรู้สึกตัวอาจารย์ประมวลท่านได้เคยพูดซึ่งอาตมาก็นำมากล่าวย้ำเมื่อสองวันก่อนว่าอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการเดินทางของท่าน เ, นเมื่อส0ปีที่แล้วจากเชียงใหม่ไปสู่สมุยเนี่ยก็คือความรู้สึกตัว แลต่มาเราก็เชื่อว่าเราก็ได้ใช้ความสึกตัวนี่เป็นอุปกรณ์ในการเดินทางพาเรามาเจนถึงตรงนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคความยากลาบากเพียงใดงความสึกตัวก็เป็นอุปกรณ์สอบการดาเนินชีวิตเหมือนกันนะมันช่วยทำให้ชีวิตของเราเป็นธรรมญาติตราได้เหมือนกันเพราะมันมีความสึกตัวเนี่ยนาะมันก็ทำให้ใจเราเนี่ย ปอดโปรงนะโล่งจากอากุศสทั้งมวลพรนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลเมื่อมีความสึกตัวอากุศสรธรรมใดที่เกิดขึ้นก็หายไปกุศสุรธรรมใดที่ไม่เกิดขึ้นนะก็ปรากฏบุคคลเมื่อมีความสึกตัวความสึกตัวนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นไม่เสื่อมสูญ อันตรธานอย่างพระสัตธรรมพระสัตธรรมในที่นี้นะก็หมายถึงคุณธรรมหรือว่าสภาวธรรมมันประเสรมมิฐงดงามในใจเราถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้นะหรือองค์ธรรมเหล่านี้ใน ใ, นใจเนี่ยไอการเลือกว่าจะสุขหรือทุกข์นะโดยเฉพาะสุขใจหรือทุกข์ใจเนี่ยมันก็เป็นไปได้มีอะไรมากระทบ กับตัวมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตมันก็ไม่กระแทกกระเทือนไปถึงใจนะเพราะว่ามีสติมีความสึกตัวมีสมาธิและที่สำคัญคือมีปัญญาปัญญาที่ทําให้เราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาคำต่อว่าดาทอก็เป็นธรรมดาอุปสรรคความล้มเหลวก็เป็นธรรมดาความตกต่ําย่ําแย่มันก็เป็นธรรมดาคู่กับ นะความสำเร็จรุ่งเรืองมีลาบก็ต้องเจอความเสื่อมลาบมีจเจก็หนีไม่พ้นความเสื่อมยศนะมีสารเสริอตัองเจอนินทา่าวิสุก็มีทุกนะปัญญาที่เห็นความจริงของชีวิตและโลกแบบนี้แหล ะ, ละที่ทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่ามัน ตอเที่ยงมันต้องสุกมันต้องเป็นของเราเมื่อวางเมื่อคลายความยึดมั่นลงแนละ้วมันก็โปร่งเบาอะไรเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นหรืออยู่ประจำทุกสังขาร เมื่อสูญเสียาพัตถาก็เห็นมันเป็นธรรมดาหรือก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่ของเราอย่างที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสูญเสียทรัพย์ไปมากมายนะจากเหตุการณ์น้ําท่วมแต่แทนที่จะทุกเหมือนคนอื่นแท น, นทเสียใจจนเสียสติเหมือนคนอื่นเธอก็กลับเป็นปกติได้เพราะเธอเห็นว่าเพราะเธอได้เรียนรู้ว่า น้ำท่วมมันสอนให้เธอได้เห็นชัดแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเธออย่างแท้จริงทุกอย่างนี่ก็อยู่กับเธอเพียงแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปถ้าไฟไม่ไหม้น้ําไม่พัดไปนะี่ยก็มีคนเอาไปหรือว่ามันก็เสื่อมไปตามธรรมดาการที่เห็นมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเนี่ยอันนี้ก็กคือปัญญานะซึ่งทําให้ไม่ทุกข์นะเมื่อประสบความพัดพากสูญเสีย ใจมันก็จะสงบก็ยังสงบอยู่ได้เป็นความสงบเจน็นแม้ว่ารอบตัวมันจะว้าวุ่นหรือชีพมันจะพันผวนจะไปคิดว่าเราจะต้องมีความสุขเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อชีตเราราบรื่นผู้คนน่ารักอยู่รอบตัวผู้แต่คำภพเราะ หรือว่าทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จร่างกายสุขภาพดีไม่มีวรนแกกไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นตรงข้ามต่างหากแต่แม้กระนั้นใจเราก็เป็นปกติได้นะเพราะว่าเรามีธรรมะรักษาใจฝนตกก็ ก็ดูใจไปด้วยนะอบอกเรื่องเงิทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อวานเนี่ยจันน้อยังบอกเลยว่อาจจะเจอฝนธรรมยตาปีนี้ก็มีฝนมาโปรยปลายจนได้นะให้การเดินให้การเดินนเชื่องเราเนี่ยเป็นธรรมยตราให้มันคุ้มค่ากับการที่เราได้เหนื่อยได้ลำบากมันมีมันมีมนมิทานเรื่องหนึ่งนะของ ปราชญท่านหนึ่งนั่นคือจางจื้อนั่นบอกว่ามีชายคนนึงเนี่ยวันนึงก็เกิดรําคาญเงาของตัวเองแล้วกร็รังเกียจรอยเท้าของตัวเห็นแล้วทนไม่ได้แล้ววันนึงก็คิดว่าเนี่ยจะเอาชนะเงาและรอยเท้าและด้วยการนี้มันให้ไกลที่สุด เขก็เลยเรออกวิ่งวิ่งแต่ไม่ว่าวิ่งไปไกลแค่ไหนเงาก็ยังตามติดไปแต่ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ขาวิ่งนะมันก็มีรอยเท้านะตามเข้าไปเรื่อยๆเขาคิดว่าเขาวิ่งไกลไม่พอเขาก็เลยวิ่งให้ไกลให้ไกลขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าเงาก็ยังตามเข้าไปตามติดๆรอยเท้าก็เช่นเดียวกันเขาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งจน เหนื่อยก็ยังไม่หยุดวิ่งสุดท้ายก็หมดแรงแล้วก็ตายข้าหารู้ไม่ว่านะถ้าเพียงแต่เขามาหลบอยู่ในร่มไม้เงาก็จะหายไปและถ้าเพียงแต่เขาอยู่นิ่งๆรอยเท้าก็จะไม่ปรากฏอันนี้เป็นนิทานที่ลึกซึ้งนะมันพูดถึงเป็นเรื่องราวของคนที่พยายามหนีทุกข์หนีทุกข์ด้วยการไปไล่ล่าหาความสุขความสุขจากวัตถุความสุขจากทรัพสมบัติความสุขจากชื่อเสียง เจตียศจากบริษัทบริวารซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาคนผุ้คนจำนวนมากมายมีแล้วก็ไม่พอใจสักทีก็คิดว่ามีน้อยไปก็ไปวิ่งไปหามาให้มากสุดท้ายก็เหนื่อยตายแล้วก็ไม่พบกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคือการที่ไม่ปรากฏเงาหรือว่ารอยเท้าเงาหรือรอยเท้าคือความทุกข์นั่นแหละ มันวิธีที่ง่ายกว่า น, นั้นนะแล้วก็ได้ผลก็คืออยู่ใต้ร่มไม้ร่มไม้ในที่นี้หมายถึงอะไรนะก็หมายถึงร่มธรรมนะถ้าเราพาใจของเรามาอยู่ในร่มเงาแห่งธรรมนะความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏถ้าเราสร้างสมถธรรมมาในใจนะเราก็จะพบกับต้นทานแห่งความสุขที่ช่วยหล่อเลี้ยง ที่เรานะให้เป็นไปด้วยดีไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากภายนอกจนเป็นทาตมันมีบ้างก็เป็นธรรมดาเราจะขาดมันเลยก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่เป็นทาตุแลเพราะาเรามีความสุขอยู่แล้วนะเป็นความสุขที่เกิดจากสติสมาธิเกิดความสึกตัวเกิดจากปัญญาซึ่งเมื่อทำชนะแล้วเนี่ยก็ยทำให้เราเนี่ยสามารถจะ ทำตนที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะความยังแก่ตัวของเราจะน้อยลงแทนที่จะเอาเวลาไปไล่ล่าแสวงหาสิ่งเสรเพื่อมาเติมความสุขให้ใจแต่เราพบความสุขในใจอยู่แล้วจากการที่ได้มีธรรมะเหล่านี้เราก็สามารถที่จะใช้ช่วยเนี่ยเพื่อเกื้อกูลผู้ื่นได้โดยเพราะที่เรามาธรรมยาตรเนี่ยภารกิจสำคัญอย่างนี้คือการช่วยกันรักษาธรรมชาติ ช่วยการา ร, รักโลกนี้ให้มีธรรมชาติที่งดงามการที่เราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยอย่างเชตมาบอกไว้แล้วว่าเราต้องเริ่มต้นจากการที่วิถีชีวิตของเราจะเป็นวิถีที่เรียบง่ายนะไม่มุ่งเสวยหาสิ่งเสพมาปเปิเปลอาทาอย่างนั้นได้เพรเราพบสุขที่เรียบง่ายเราพบความสุขภายในสิ่งหนึ่งที่ทําให้โลกเนี่ยวุ่นวายธรรมชาติเสริมโซมเนี่ย เพราะพวกคุณคิดเพราะพวกพวกผู้คนผู้คนหนืยคิดตั้งแต่ตัวเองโดยเพราะความคิดที่ว่าเอาความสุดวกสบายเป็นใหญถ่ถือว่าเอาความสะดกสบายเป็นพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เราเอาหรือเอาความสดกสบายเป็นพระเจ้าเนี่ยนะธรรมชาติสิ่งวัลล็จะเส่อมโชวงไปเรื่อยๆการที่เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้เนี่ยเราต้องยอมรับนะว่า มันจะไม่สะดวกสบายเท่าไหรนะ่แทนที่เราจะใช้โฟมใช้กล่องโฟมนะเราก็ใช้อย่างอื่นแท น, นเช่นปิ่นโตเวลาเราเห็นคนเขาเปิดน้ําจริ้งไว้ถ้าเดินเดินเดินผ่านไปไม่นิ่งทําไปไม่สนใจอะไรมันสบายแต่การที่เราเดินไปปิดน้ำเนี่ยมันก็เหนื่อนนิดหน่อยเสียเวลาด้วยเมื่อเราใช้ กินน้ำจนหมดนะมีขยะอยู่ในมือถ้าเราทิ้งไปเลยเนี่ยมันสบายแต่การที่เราเก็บมันเอาไว้เ mm. พื่อที่จะไปทิ้งในถังขยะเนี่ยมันสบายน้อยกว่าเ mm. วลาเราเห็นขยะที่ตกอยู่ตามพื้นถ้าเราเดินผ่านเลยไปสบายแต่ถ้าเราเก็บเนี่ยนะอ่ะมันไม่ค่อยสบายแนละ้วหรือแม้กระทั่งแยกขยะเนี่ยนะมีขยะแล้วก็ทิ้งในถังขยะโดยไม่แยกเนี่ยก็มันสบายนะ แต่ทำไมคจนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยอมที่จะแยกขยะโดยเฉพาะในญี่ปุ่นนี่นะโเห็นเห็นวินัยนเขาเลยนะแม้ข้างนมกล่องเนี่ยบางทีหรือน้ำน้าผลไม้ขวดนําร้อยเปล่ปาเนี่ยก็ยังเอาไปล้างน้ำก่อนเลยก่อนที่จะทิ้งลงถังขยะเพื่อไม่ให้มันส่งกลิ่นเหม็นทำอย่างนี้ได้เพราะไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายคือยอมเสียเวลา การที่เราจะใส่ใจโลกได้เราต้องยอมรับนะว่ามันจะความสะดวกสบายจะน้อยลงแต่ถ้าเราเหงแก่ความสะดวกสบายเนี่ยการใส่ใจโลกมันจะทำได้ง่ายการที่คนเนี่ยนะแทนที่จะอยู่บ้านหรือไปเที่ยวห้างไปชอบแต่ว่าขึ้นเขาไปปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่สบายเลยนะมันเจอต้องเจอแดดงทีเจอฝนแต่ทำไมก็ทำอย่างนั้น เพราะเขาไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัวเพราะเขาคุณกับชีวิตที่เรียบง่ายคนเรามีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้เพราะว่าเห็นแก่ความสะดวกสบายหรือว่าเมื่อใดก็ตามที่ความสะดวกสบายการเป็นพระเจ้าเนี่ยนะธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆต้องนึกในใจนะว่าเนี่ยถ้าเราจะใส่ใจร่นเนี่ยเราต้องไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัว เป็นใหญ่สดกสบายบ้างนะแต่ว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเพราะไมเช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่สนใจนักเสื่อมล้อมเราจะทิ้งขยะทุกที่เราจะใช้โฟมเราจะใช้น้ําสิ้นเปลืองใช้พลังงานสิ้นเปลืองป่าถูกทําลายเพื่อสร้างเขื่อนหรือว่าโลกมันจะร้อนเพราะว่าผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินเราก็ไม่สนใจเพราะมันสบายไง มันสบายแทนที่จะเดินขึ้นบันไดก็ขึ้นลิฟต์นั่งมันสบายแทนที่จะประหยัดน้ํามันด้วยการเดินไปปากซอยแล้วก็ขี่ขับรถเป็นเพราะผู้คนเนี่ยเห็นแก่ความสะดกสบายเนี่ยโลกมันยังเสื่อมสลายลงไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจจะใส่ใจโลกนะดูแลสิ่งแวดลอกก้อมก็อย่าให้ความสะดบสบายกลายเป็นพระเจ้าของเราให้กับ นะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทําสิ่งนั้นคือว่าแม้กายจะเหนื่อยนะแต่ใจมีความสุขเมือ่อที่เราเดินธรรมยาตราเนี่ยนะเหนื่อยกายแต่ใจสุขมันเกิดขึ้นได้นะสบายกายแต่ใจทุกเนี่ยนะมันเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะมากคนที่ฆ่าตัวตายจํานวนมากยัสบายกายนะแต่ใจเขาทุกเพราะเขาไม่พบกับความสุขที่ประเสริฐที่ประณี้ ก็หวังว่าน ะ, ะเมื่อเราเดินมามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของการอยู่แบบเรียบง่ายโดยมีสุขที่เรียบง่ายเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงเพื่อช่วยทําให้เราเสามารถจะใส่ใจโลกและทํายิ่งกว่านั้นก็คือว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นไม่ใช่แค่ธรรมชาติอย่างเดียวแต่คนที่เดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือมันเป็นให้เป็นประโยชน์ เพราะชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์น ะ, ะแล้วก็ขอขอบคุณน ะ, ะพวกเราทุกคนนะที่ทำให้ธรรมญาติตราครั้งนีนะ้สำเร็จได้ด้วยดีถึงแม้ว่าอุปสรรคจะมากมายความยากลาบากจะเกิดขึ้นตลอดทางแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อนะเหนื่อยแค่ไหนก็พยายามขยับตัวนะขยับขาเดินเพื่อมาถึงจุดหมายในเวลาที่ เราได้นัดหมายกันเอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณน ะ, ะชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าภาพต้อนรับเราทั้งระหว่างทางแล้วก็ในจุดพักเพลยแล้วก็จุดพักแรงถ้าไม่ได้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยธรรมญาตาก็เกิดขึ้นไม่ได้มีคนมากมายนะที่อยู่เบื้องหลังนะธรรมญาตรารวมทั้งการเตรียมสถานที่ เราเดินมา400รคนเนี่ยอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังเราเนี่ยที่ทำให้ธรรมญาตาเป็นไปได้เนี่ยเป็นหมื่นคนนะเป็นหมื่นคนเพราะว่าเราผ่านมากี่หมู่บ้านแล้วนะยี่สหมู่บ้านอาจจะมากกว่าหมื่นคนได้ซ้ําและก็ต้องขอบคุณนะในนายทาเจตธรมาเนี่ยเป็นนายทับประธานผู้จัดธรรมญาตาิขอบคุณสตาร์ทนะทีมงานนะที่ได้ช่วยกันตาดเตรียม ทั้งเส้นทางนะการเดินธรรมยาตราแล้วก็การเตรเียมอุปกรณ์ปัจจัยต่างๆมากมายทําให้ธรรมยาตราเกิดขึ้นได้รวมทั้งเมื่อมาถึงแล้วเมื่อเดินเมื่อธรรมยาตราเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะจนกระทั่งทำให้ผู้ที่มาร่วมได้รับความสะดสบายตามสมควรนะที่สุดเนี่ยตามาก็ขอ อ้างคุณพระศิรัตนต์ใจนะแล้วก็บุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญมาตลอดทั้ง7วันแล้วก็ที่ได้บำเพ็ญต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะข อ, ขอให้เรามีพารานธรมัยนะนะจิตแจ่มใสใจเบิกบานขอให้สติขอให้ความเพียรของเรานะเข้มแข็งมั่นคงมีสติช่วยรักษาใจ มีปัญญาที่นำพาเราผ่านพ้นอุปสรรคก้าวข้ามอันตรายทั้งปวงสามารถจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนำพาชื่อให้ประสบกับความสงบเย็นสามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเกื้อกูลโลกธรรมชาติและเพื่อมนุษย์อีกทั้งสามารถที่จะนำพาเราให้ได้พบ ก, กับความ สุขสงบเย็นได้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิด